ค่ะที่จริงหนูก็มีข้อสงสัยนิดนึงนะคะคือหนูเหมือนแบบตอนนั้นที่หลวงตาพูดว่าจิตก็มีพลังของเขาใช่ไหมคะทําให้ร่างกายมันเป็นแบบเหมือนมีถ้าจิตที่แช่นิ่งอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถส่งผลต่อทางร่างกายของเราได้อย่างเงี้ยค่ะคือส่วนตัวหนูเหมือนหนูเรียนสายสุขภาพด้ว้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกเหมือนหนูเกิดข้อสงสัยนิดนึงใน คำว่าเหมือนอํานาจของจิตเ น, นี้ยค่ะจิตกับเหมือนเพราะว่าบางคนก็ต้องใช้ยาหนูไม่แน่ใจว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าเรามีอจิตที่แบบดีแล้วอย่างนี้มันเหมือนมันจะไม่สุขภาพดีไม่อะไรเงี้ยมัน ไ, ไ, ไม่ต้องใช้ยาใช่ไหมได้งไงใช่ค่ะเหมือนก็ คล้ายๆอย่างนั้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีหรือว่าความจริงคือยาไม่ได้จําเป็นเลยไม่ใช่โรกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้คือโรคบางโรคเนี่ยโรคมันมีอยู่ตามตชนิดพระเจ้าตัดอ่ะ น, นะโรคที่เราเป็นเนี่ยโรคบางโรคเนี่ยไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยหายเองเช่นเป็นบาดคัดจมูกปวดหัวตัวร้อนเล็กๆน้อยๆธรรมดาเนี่ยโรคชนิดเนี่ยเป็นโรคชนิดที่พระเจ้าตัดว่า โรคบางโรคเนี่ยไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยก็หายเองเช่นไปาามน้ำ อ, อุ่นหน่อยหนึ่งหรือว่าเดินไปเดินมาทำกลางแสงแดดสายลมเดี๋ยอก็ให้สุขภาพดีร่างกายจิตใจสดชื่นขึ้นก็หายเองได้โดยไม่ต้องไปไม่ต้องใช้ยานี่กรณีที่หนึ่งกรณีไม่ต้องใช้ยาเลยสามารถหายเองได้กรณีที่สองโรคบางโรคเนี่ยถ้าไม่ไม่รักษา ไม่หายต้องรักษาถึงจะหายอกรณีแรกนี่คือไม่รักษาก็หายเองกรณีสองเนี่ยโรคบางโรคเนี่ยต้องรักษาถึงจะหายไม่รักษาไม่หายเช่นเราหกล้มกระดูกแตกกระดูกหักอย่างเนี้ยอันนี้ถ้าไม่ไม่รักษาไม่หายถึงจะมีอํานาจจิตยังไงก็ไม่หายเพราะว่ามันก็ช่วบรรเทา ชือบันเทาหรือจะมีกระถาต่อกกระดูกไม่อะไรก็ตามมันก็ต้องรักษาด้วยเช่นเอาน้ำมันมนมาหรือว่าใส่เปลือกไม้ถึงแม้เขาจะมีน้ำมันมนเขาก็ใส่เปลือกไม้ก็คือการใส่เฝือกก็คือรักษาเอหรือไปหาหมอก็ใส่เฝือกอะใส่เฝือกปูนปลาเตอร์เนี้ยมันก็หายก็เพราะว่ามันใส่เฝือกนะแต่เขาก็เอาน้ำมันทาไปอีกแต่ก็คือมันหายเพราะว่าใส่เฝือกด้วยเนี่ยมันก็รักษาอย่างไงมันก็ มันต้องมียารักษาถึงจะหายมีหมอรักษาถึงจะหายแม้แต่หมอเป่าหมอเสกอะไรเป่าให้กระดูกมันติดอะไรก็ต้องเอ็กท้งต้องใส่เปือกเหมือนเอาเฝือกไมใ้ใส่อย่างนี้ก็ต้องรักษาเรียกว่ารักษาเหมือนกันรักษาจะหายไม่รักษาไม่หายเนี่ยโรคบางชนิดเนี่ยรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายแค่บรรเทาอย่างเช่นโรคมะเร็งอย่างเนี้ย ลงมาเร็งเนี่ยรักษาก็ได้แต่แคบ่บรรเทาไปแต่ก็ต้องรักษาเนื้อร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยมันคือสสารส่วนที่เป็นสสารในร่างกายเราเนี่ยมันพร่องมันมีความผิดปกติแต่บางครั้งความผิดปกติในร่างกายเรามีสองอย่างคือความปกติร่างกายส่วนที่เป็นสสารส่วนที่เป็นพลังงาน สิ่งที่เราเข้ามาช่วยได้คือส่วนที่เป็นพลังงานส่วนที่เป็น ส, สารเนี่ยเราต้องกินเข้าไปเช่นเรากินอาหารตอนเช้าเนี่ยเรียกว่ากินยาเรากินน้ําเข้าไปเนี่ยเรียกว่ากินยาคือกินท่าตามธรรมชาติเรียกว่ากินยาเวลาจะกินอาหารเนี่ยพรธเจ้จาจึงให้ทิศว่าเป็นยาเป็นกินยาไม่ใช่ว่าฉันกันไปแบบสนุกเพลิดเพลิ น, นอร่อยลิ้นแล้วไม่ไม่ไม่ไม่ที่ไม่ไมไมพิจารณาทก่อนมัว่เป็นยา กินธาตุกินธาตุเพราะร่างกายเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบด้วยธาตุดินแาตุน้ำธาตุลมธาตไฟร่างกายมันต้องกินเนี่ยต้องเอาธาตุกินธาตุเข้าไปกินกินเราเลยต้องกินเนี่ยตอนเช้าเราก็กินสากพืชยากสัตว์กินมาเยอะแยะมากมายแล้วก็กินน้ำธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ํำเราก็กินธาตุน้ําแล้วก็ลมเนี่ยเรามานั่งหายใจเอาฮะ้อาลมณ์ไม่ใจเข้าเข้าออกนี่กินธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟเนี่ยนั่งให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยเราต้องกินธาตุไฟตอนเนี้ย ร่างกายเนี่ยเวลามันพร่องเนี่ยบางทีมันสั่นพองบางทีมันพลังงานพ่องแต่บางทีถ no? the ้ามันพ่องแล้วมันทําให้พอร่างกายพ่องสั่นกบพองด้วยพลังงานกับพองด้วยสั่นพองพลังงานกับพองเราก็ต้องกินยาลงกินยากินอาหารเนี่ยต้องกินอาหารเข้าไปช่วยอาหารทุกอย่างก็เป็นยานั้นจะกินเราผักกินอะยต่างๆนี่ก็เป็นยาแล้วยาของหมอเราก็ต้องกินคือยามันตรงกับโรคแต่ถ้ายาอาหารที่เรากินมันตรงกับโรค ผักชนิดบางทีพืชผลเนี่พืชบางชนิดจะกินมันตกกโลกก็หายได้แต่ก็เป็นยาหมดเลยลกแล้วก็ส่วนหนึ่งที่หมอไม่มีนั่นคือพลังงานเดี๋ยวนี้จึงเกิดวิชาแพทย์ด้านพลังงานเนี่ยที่เขาพยายามที่จะช่วยรักษาให้ล้องตาเนี่ยลุงตาก็อยากไปก็เพราะาไปเรียนรู้มีแพทย์ที่เขาสนใจเรื่องนี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นแพทย์จากต่างประเทศชาวต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทย เรียนแพทย์ทางด้านพลังงานแต่เขาก็เรียนปริยตีทางด้านทางด้านนนะี้ด้วยดะเป็นแพทย์เป็นด็อกเตอร์จากฝรั่งเศสเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องตอมไรท่อเรื่องเรื่องระบบสมองเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องกระดูกเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วแต่เขามาเรียนเพิ่มเติมทางด้านอํานาจจิตพลังจิตจิตใต้สานึกแล้วก็พลังพลังเขาก็เรียนพวกนี้แล้วก็ใช้ทั้งพลังที่เป็นเอ ก, เ, อกเครื่องจัด เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ปล่อยพลังออกมาได้แล้วแต่ว่าจะปล่อยคลื่นของพลังไฟฟ้าขึ้นไม่เหล็กอที่เวลาหมอจีนเขาฝังเข็มเราเนี่ยเขาฝังเข็มฝังเข็มแล้วเขาเอากระแตไฟฟ้าปล่อยเข้าทางไอ้ทางไอ้นี่ยทางไอ้เข็มเนี่ยที่เขาฝังไว้เนี่ยมันก็จะเป็นกระตุก๊เนี่ยก็เาปล่อยกฟฟ้าคือปล่อยพลังงานสรุปแล้วคือว่าเมื่อไรเนี่ยร่างกายพ่องมันจะเจ็บแค่ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นพลังงานพองคือจิตแช่ จิตแช่คือจิตมันไม่เคลื่อนไหวตามปกติธรรมชาติกฎของหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งใดเคลื่อนไหวสิ่งนั้นย่อไปเกิดดพลังงานสิ่งใดเคลื่อนไหวสิ่งนั้นย่อมก่อให้เกิดพลังงานอย่างลมเนี่ยถ้าใบาาไม้ไม่กระดิกเนี่ยพลังงานก็ไม่เกิดพอใบไม้เนี่ยพอใบไม้พอใบไม้ไหวไหวไวุไว๊บย่อเกิดพลังงานน่พลังงานของลมมาพัดโดนเราก็เย็นสบายเพราะมันมีพลังงานเกิดขึ้นถ้าสิ่งใดไม่มีความเคลื่อนไหวพลังงานไม่เกิดอัน พลังงานเนี่ยมันเกิดมันเกิดมาจากมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าอะไรเคลื่อนไหวปุ๊บย่องก่อยเกิดพลังงานดังนั้นจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ต้องเคลื่อนไหวกายเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวแต่ผู้ปฏิบัติผิดไปทําให้จิตมันไม่เคลื่อนไหวถ้อย่างนั้นเนี่ยมันเลยผิดธรรมชาติเพราะเข้าเข้าใจผิดไปทําให้จิตมันนิ่งเฉยเขาพยายามปฏิบัติทำให้จิตมันนิ่งเฉย <im gig ant> พอจิตมันนิ่งเฉยมันเลยหมดพลังงานมันก็เลยตายเสร็จแล้วก็ อันดับแรกคือเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันบกพร่องทำร้ายตัวเองเป็นโรค sne เนี่ยโรคเนี้ยแล้วก็ตามไปอีกหลายโรคคือสารเคมีในร่างกายหลังผิดปกติเพราะมันขาดพลังงานถึงแม้จะกินอาหารให้ยาแต่ไม่รู้สมุติฐานของโรคว่าเพราะจิตมันไม่เคลื่อนไหว ให้ยาไปก็รักษาได้ตามอาการแต่สุราไม่ยังป่วยเดี๋ยวกลับมาป่วยเพราะยังไม่ได้แก้สมตุตนไารโรคคือจิตมันไม่เคลื่อนไหวพอให้ยาไปยังไงก็ตามมันก็ยังป่วยตายไปบันทีเนี่ยไอยาวันทีให้เคโมโไปตายเลยเลือดผิดปกติให้เคโมโไปก็ตาย เ, าเพราะอะไรจิตมันไม่เคลื่อนไหวยังไม่ได้ถูกแก้โรคหลายโรคมันมาจากจิตไม่เคลื่อนไหวแล้วจะตามมาหลายโรคตามมาอที่เจ้าสีต้องตาสังเกตเห็นคือ อันดับแรกคือภูมิแพ้ภูมิแพ้ภูมิบกข่องพอภูมิบกร้องเสร็จ พ, พ, พบมาก็เม็ดเลือดขาวเริ่มน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วสุดท้ายเชื้อโรคก็โจมตีสารเคมีในร่างกายผิดปกติแล้วที่สุดก็ถึงแก่ความตายเพราะจิตไม่จิตไม่เคลื่อนไหวธรรมชาติของขันห้าคือฝ่ายที่เป็นจิตปรุงแต่งเนี่ยต้องเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเยต้องเคลื่อนไหวตามธรรมชาติก็ปล่อยให้จิตเขาเนี่ย เคลื่อนไหว ต, ตามธรรมชาติพลังงานมันก็มีธรรมชาติเหมือนกันในร่างกายเราเนี่ยถ้าร่างกายเรานอนเอาแต่ น, นอนนิ่งๆแล้วไม่ลุกจะกเตียงอ่ะไม่ช้าตายเฉะนั้นคนไข้อ่ะที่ป่วยเป็นอนผ้าอะไรนอนนิ่งๆเขาก็ต้องพยายามช่วยตัวเองได้เขาไหนพยายามช่วยตัวเองได้กระดิกมือกระดิกมือกระดิกขากระดิกขาถึงจะลุกไม่ได้กระดิกมื อ, ก ร, ก, มอกระดิก ข, า, กไไกกกกขาได้หรือกระพริบตากระพริบตาอะไรไว้ได้ถ้ามันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยก็ไม่ตายแต่ถ้าแม้แต่กายเคลื่อนไหว แต่ใจนิ่งเฉยตายได้เหมือนกันค่อยๆหมดแรงแล้วตายไปเรื่องเนี้ยเร็วๆนี้เองลงตาไปสอนที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่องอาจารย์หมอเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยจริเขาบอกว่าขอบฟองจริงเลยอาจารย์คืออาจารย์ก็พูดเนี่ยผมก็ก็ได้ยินอาจารย์พูดบ่อยเรื่องเนี้ยผมก็ไม่ค่อยจะเท่าไ ห, หร่ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหมอทังด้านโรคไอผูอ้แพ้ไง แต่เขาก็สงสัยว่าทําทไมโยมทําไมโยมเนี่ยเขามารักษาโรคปูมแพรแล้วรักษาอยู่นานแล้วมันไม่หายมีแต่อาการซุดลงไปเรื่อยอาการซุดลงไปเรื่อยแต่เขาสังเกตดูมานานหลายวันแล้วเขาไปกล่าเขาไปถามเพราะาไม่ใช่เป็นคนไข้ของเขาแต่เขาสังเกตเห็นนอนยิม้มนอนยิ้มเอ๊ะทำไมป่วยจนถึงขั้นจะตายแล้วนอนยิม้ม เลยพอลูกศิษย์ออกไปหมดแล้วอาจารย์หมอก็เลยแอบเข้าไปถามบอกขอโทษนะคุณปฏิบัติธรรมหรือเปล่าพอพูดบอกปฏิบัติธรรมปล่าวิปจิตมันตื่นตัวขึ้นมาเลยบอกโอ้โหนั่งสมาธิมายี่สิบปีแล้วขอนั่งสมาธิมาตลอดเลยยี่สิบปีโอ้โหหมอตกอกหางเลยนี่มันแช่อยู่ในอารมณ์แช่อยู่ในรมนิ่งเฉยสบาย จนเกล็ดเลือต่ําเลยนะพวกเนี้ตรงตาไปช่วยมาหลายคนแล้วก็ตายไปแล้วหลายคนที่ช่วยไม่ทันพอช่วยทันก็ไม่ยากหรอกเนี้ยคือถ้าเขามีศรัทธาปรุงมั่นแนว่วแน่ในพระรัตนาตรัในพระพุะทธตามประสงค์นึกถึงพระพุทธผานามประสงค์คุณรัตนาตรันึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคุูบิดามดากูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกถึงบุญบรารมีที่เราทําแล้วอธิษฐานจิต ทำๆๆจนกระทั่งมันสามารถนึกและพูดได้เร็วมากเลยอธิษฐานว่าขอให้ท่าทุกท่าขานทุกขักนสสารพลังงานและความว่างจุดกลับคืนสู่ความเป็นปกติตามธรรมชาติสมดุลตามธรรมชาติอัตโนมัตตลอดเวลาตั้งแต่บันดนี้เป็นต้นไปให้มาสมดุลกันคือในร่างกายเรามีมีสสารนะสสารคือร่างกายพลังงานคือจิตใจและความว่างคือจิตเดิมแท้วิญญาณแท้ที่เรามาเกิดเป็นความว่างสสารสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ย มันสมดุลกันตามปกติตามธรรมชาติก็จะหาเจ็บหายป่วยมันมันมีทั้งสาสารมีทั้งพลังงานแล้วก็จิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้หรือไอ้วิญญาณดั้งเดิมแท้ที่เป็นความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับว่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างภายในใจนะความรู้สึกว่างภายในใจมันเป็นอันนั้นนต์อย่างที่หนูรู้สึกสุขสบายแ ล, ล้วรู้สึกว่างๆเบาๆอันนี้มันเป็นสุขเวทนามันเป็นขันเป็นเป็นขันปรุงแต่งแต่ไอ้ที่มารู้ว่าเรามีอาการแบบเนี้ย อันนั้นน่ะคือจิตเดิมแท้ๆที่มารู้ว่าเรามีอาการอย่างเนี้ยแต่มันมีมันมีรู้ที่แบบว่าทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดเราสงสัยด้วยอันนี้ยังเป็นปรุงแต่งอยู่แต่อัที่ไอัที่รู้ที่มารู้ว่าเราทั้งทั้งรู้ทั้งคิดทั้งสงสัยด้วยอันนั้นน่ะคือธรรมชาติแท้ๆมันมีอยู่สามส่วนแั้นถ้าสามส่วนเนี่ยทั้งสสารคือร่างกายไว้แล้วก็จิตใจคือพลังงานและแล้วก็จิตเดิมแท้ที่เป็นของว่างมันเป็นอิสระต่อกันทํางานแบบเป็นอิสระกับไม่เอาอะไรมากดข่มบังคับ พำใหมันนิ่งเฉยไม่เคลื่อนไหวมันก็กลับคืนสู่ความเป็นปกติตามธรรมชาติได้ก็หาเจ็บหายป่วยะเราไปจิตรวิธิฐานนะเอาอํานาจของปุทุคุณธรรมคุณวสังคุณบดามดาคุบาอาจารย์บุญบารมีที่เราทําเนี่ยเอามาอธิฐานขอให้ท่าทุกท่าขานทุกขานสสารพลังงานและความว่างสะสารพลังงานและความว่างคือจิตเดินประแฉเนี่ยให้เป็นปกติตามธรรมชาติกลับคืนสู่ความเป็นปกติธรรมชาติสมดุลกัน ทำงานอย่างตบดุลกันตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาคือไม่ไปก้าวไายกันแล้วก็เป็นอิสระต่อกันเขาเรียกว่าสันติเป็นสันติแต่ถ้าไปก้าวไายกันเน่ะหรือว่าไปมั่วกันเข้าไปผสมกันเข้าไปทํางานมั่วตัวหมดแล้เรียกว่าสันตติคือมันไปติดไปต่อกันหมดเลยเป็นปมยุ่งเหยิงไลยมันแต่ถ้าขาดปุ๊บก็เป็นสันติสันติเป็นอิสระต่อกันก็บรรลุนิพพานได้นะผนทุกข์ได้แล้วก็ร่างกายกับ่นทุกข์ด้คือหา หายไออาการที่เป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยแล้วก็อาการที่ต่อเนื่องมาจากโรคภูมิแพ้เช่นไอพวกสารเคมีในร่างผิดปกติแล้วก็เกล็ดเลือดขาวต่ำมากก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ไอภูมิคุ้มกันก็จะกลับมาปุกก๊บก็ภูมิคุ้มกันก็จะไปทําทําลายเชื้อโรคที่เข้าปรโจมตีได้มันก็จะทําให้โรคอย่างอื่นเนี่ยหายไปด้วยเนี่ยคือทำให้ร่างกายหายธรรมชาติกินยาอย่างเดียวได้แต่ต่อสารอย่างเดียวไม่ได้พลังงานจริง ไม่หายแต่โรคบางโรคไม่จำเป็นต้องการพลังงานแก่ ส, สาสานอย่างเดียวคือกระดูกหักล้มกระดูกหักเกดิดอุบัติเหตุรถชนกันพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเขาก็ใช้แค่รักษาอย่างเดียวทางการแพทย์ก็หายได้อ่ะมุยไปว่าอยู่ไรตกใจอนะไรไหมแล้วเรียนอะไรหนูเรียนอะไรอยู่ตอนเนี้ย เรียนวิชาอะไรเรียนคณะอะไรฮะแพทย์เออเรียนแพทย์เออว่าแล้วเรียนแพทย์คณะอะไรลูกหรือทั่วไปอยู่ทั่วไปค่ะอ๋อทั่วไปนี่อาจารย์แพทย์อยู่นี่นั่งอยู่นี่เนี่นี่อาจารย์แพทย์อาจารย์หมอเป็นเองที่ที่อธิบายเมื่อกี้แล้วพบว่าอาจารย์หมอเนี่ยเป็นเองลุงตาไปช่วยไปช่วยชีวิตมาสอสามครั้งแล้วแล้วเมื่อคืนก็ อาจารย์หมอก็ต้องไปช่วยคนอื่นต่อเมื่อคืนในกรรมตามเส้นนองต้องไปนั่งช่วยอธิบายเขาตั้งนานเนี่ยเมือคืนนี้เขามีคนเป็นมาแล้วเขาเป็นอย่างนี้เหมือนกันบอกว่าเป็นไงหนูเป็นหนูต้องทำงานไม่ได้ต้องลาจากงานมาเป็นโรคอะไรหนูเป็นโรคภูมิแพ้ตอนนี้ตัวบวมหมดดูแล้วเอยไม่ใช่ไม่ใช่ใชหนูผิดแล้วมาแต่จิตผิดหนูปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมชอบนั่งสมาธิโอ้หนูแช่ ได้ Đây, จิตไม่เคลื่อนไหวทำให้ HI, จิตน hmm ิ but, aya, Myers, ่งเฉยปฏิบัติเข้าใจผิดเดี๋ยวเยวว่จิตมันเคลื่อนไหวตามปกติแต่ใจไม่เคลื่อนไหวใจคือใจไม่เข้าไปยึดถือแต่จิตมันเคลื่อนไหวตามปกติแต่ใจไม่เข้าไปยึดถือนี่ทําให้พยายามทาให้จิตมันไม่เคลื่อนไหวนี่ป่วยเลยเนี่ยตึงตายเนี่ยให้หมออธิบายมันก็ได้อันเนี่ยเสริมเสริมตาก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อโลกลงตาตายไปในายลข้างหน้าเทปที่อัดไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่หลายเพื่อว่าถ้ามันไม่มีทางออกจริงก็ก็ต้องใช้อย่างเนี้แต่ถ้ามันมียารักษาสามารถรัักกกษษาาาไได้เอรป แต่รักษาด้วยยาด้วยหมาแพทย์แล้วมันไม่หายก็ต้องมันก็ไม่เสียหายอย่าทิฏฐานช่วยตัวเองขึ้นมามันคือจะได้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์โดยประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยก็เข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนหนูค่อนข้างอยากแบบหนูก็ศรัทธาในหนูหนูรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันก็เป็นมันเป็นข้อเท็จจรงอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนหนูก็พยายามที่จะเอามา เหมือนให้มันควบคู่ไปด้วยกันกับพุทธศาสนาอะไรองี้ค่ะบางทีหนูก็เลยเหมือนเพราะว่าด้วยความที่หนูยังไม่ค่อยเข้าใจท่งแท้ด้วยมั้งคะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างตีกันบ้างอะไรอยงี้ค่ะก็เลยเกิดเป็นคําถามก่อนหน้าที่ถามหลวงตา ม, มาอย่างนี้ยค่ะมันมันจะมีอีกหลายอย่างหรอกที่พลังจิตที่เกิดจากการฝึกฝนหลายอย่างมันมีอีกหลายชนิดเช่นในพลังที่เอามาใช้อาํานาจที่มาใช้ มาเรียนไม่รู้จบวิชาพวกนี้หรอกอย่างเช่นเหมือนกับหนูเข้าเรียนมหาวิทยาลัยน่ะหรอกหนูก็เป็นเรคณะแพทย์แต่ใ น, นมหาวิทยาลัยยังมีอีกหลายคณะใช่ไหมพวกนี้นะ่มันปร ะ, ประกอบโมเลกุลทางจิตกันเหมือนกันนะ่ะอย่างเช่นพลังลงปานอย่างเงี้ยอีกวิชาหนึ่งก็คือพลังธรรมชาติหรือพลังจักรวาลแต่ที่เขาเขาไปเขา้เขาหลายที่ที่เขาไปเขียนเป็นพลังจักรวาลวิธีฝึกอย่างนั้นอันนั้นยังไม่ใช่พลังจักรวานที่แท้จริงที่ฝึกปรุงแต่งทําเป็นไอสร้างแบบ ทำเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหมุนเข้าตรงนั้นหมุนก็ตรงนี้เราพลางเข้าตรงนั้นตรงนี้อันนี้ยังไม่ใช่เรื่องการปรุงแต่งเอาพลังจักรวาลที่จะฝึกสําเร็จได้หนูต้องจิตของหนูต้องเข้าถึงธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและหนูมีบุญวาสนาบา ร, รมีเก่าเคยวาสนาเคยฝึกพวกนี้มาได้แล้วแล้วก็หนูใช้พอจิตมันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแลนน้วตรังก็หนูก็จะสามารถฝึกวิชา เพิ่มเติมขึ้นมาได้คือวิชาพลังจักรวาลในธรรมชาติในจักรวาลนี่ยมีพลังงานมหาศาลคือพลังแม่เหล็กพลังประจุไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เนี่ยหนูก็รู้ว่าพลังแสงอาทิตย์เอาไอแผงอะไรนะโซลาร์เซลล์ไปรับแต่นี่เราเอาจิตไปรับนะอำนาจจิตไปรับพลังงานพระอาทิตย์พลังงานลมพลังน้ำพลังงานไฟพลังงานดินพลังงานในธรรมชาติมีมหาศาลมากเลยเนาะมากมาย ในต้นไม้ในแผ่นดินในก้อนหินมีพลังงานหมดเลยหรกทุกอย่างในธรรมชาติมีพลังงานยงมาในตัวแล้วสาคัญที่สุดคือพลังจิตที่บ่อยสุดจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยอหรหันสาวก ข, ของพระองค์ที่ก่อนบรณภาพาไปได้แผ่เมตตาไว้อย่างเช่นเหมือนตอนเช้าหลวงตานําพวกท่านทั้งหลายแผ่เมตตาตอนตอนก่อนฉันข้าวเนี่ยแล้วพลังจิตอํานาจจิตเหล่าเนี้ยของพระองค์เนี่ ย, พ ร, ยพระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านมีมาแล้วมากมาย ม, ายมหาศาล แล้วก็พระอรหันต์อีกล่ะสาวกอีกเท่าไหร่มหาศาลพระสาวกของพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีมาแล้วมากมายมหาศาลพระสาวกของพระองค์่ะแต่ละองค์ก็มีมีมีมสาวกมากมายมหาศาลอารหันต์แต่ละองค์เนี่ยก่อนตายเนี่ยก่อนจะดับขันปรินิพพานไปล้วนแต่สร้างคุณประโยชน์ไว้แก่โลกเมตตามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดในยมานอานาจจิตที่แผ่เมตตาไปบีที่ไหนเพราะกฎของวิทยาศาสตร์ว่าพลังงานย่อมไม่สูญหายไปจากโลกจากจักรวาลแล้วไปอยู่ที่ไหนหลบพลั ง, งพลังจิตที่บสุด ของพุทธเจ้าเนี่ยความเมตตาไม่มีส่วนของพุทธเจ้าของว่าหลานทั <counseling passiert safely> right? well ้งสาวโงทั้งหลายไปอยู่ที่ไหนหรอกอันเนี้ยนูเลยเคยคิดไหมว่าไปอยู่ที่ไหนมันปรรจุอยู่ในความว่างบัรจุไม่ได้เพราะในความว่างไม่มีที่บรรจุใช่ไหมแต่ก็ต้องบรรจุในสสารกับพลังงานอะไรก็ตามที่เป็นมวลพลังงานสามารถบัรจุได้อะไรที่เป็นมวลของสสารบรรจุได้แม้แต่เล็กขั้นปรมณูเนี่ยเป็นผงทุเรีที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยสามารถบรรจุพลังงานได้มหาศาลเลยนั้น แหล่งพลังงานเนี่ยพลังจิตที่เบยสุดพลังธรรมชาติที่เบยสุดของพุทธเจ้าของพลานสาวกที่พระองค์เมตตาไม่มีที่สุดใ้มาน่ะมีอยู่มากมายมหาศาลในธรรมชาติในจักรวาลเนี่ยเราเมีบุญบารมีเี่ยสามารถฝึกฝนอํานาจดึงเอาอํานาจเหล่านั้นน่ะมาใช้ได้ไหมเรามาใช้คามสามารถย่อมาใช้ได้ในขณะจิตเดียวแล้วเราก็เราก็เอามาใช้เกื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลายเกื้อกูลตนเองนะรักษาร่างกายจิตใจของตนเองให้ สาัส่ารพลังงานและของว่างของตัเองให้เป็นปกติตามชาติตนชาติให้ทําประโยชน์ตนให้สิ้นกิเลสบรรพณิพนิพานในปัจจุบันและเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์สรรพสัตว์ต่างหลายให้เขาพ้นทุกข์พ้นทุกข์จนกว่าจะถึงข่าวสิ้นอายุขัยไปตามกาลเวลาคือสังขารแม้แต่จะมีอํานาจมีพลังมีอำนาจมีฤทธิ์สัพพัตแต่ก็ต้องตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเสื่อมผุพังสลายถึงแก่ความแก่ความเจ็บความตายไปตามกาลเวลา แต่เพียงแต่ว่าตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็มีความแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเป็นปกตินอกจากว่ามีโรคกรรมร้ายแรงที่เราไปทำไว้อันนั้นก็แก้ไม่ได้หมอก็แก้ไม่ได้ทั้งแม่อำนาจจิตไหลก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีโรคกรรมมาตัดรอนทั้งหมอด้วยทั้งอานาจจิตด้วยช่วยกันได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มันจะสามารถหายไปได้เองเนี่ยเดียลง เราตาไปตรวจไปสอนที่โรงพยาบาลตอนนี้เขาก็เลยโรงพยาบาลใหญ่เขามีเครื่องมือพร้อมมีมีแพทย์พร้อมมีลูกติดเต็มเขาก็เลยจับตรวจทั้งหมดเลยตรวจปัลักษณ์ปัสสาวะตรวจเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางเิทยาศาสตร์ทุกชนี้ปรากฏว่าปกติหมดอปกติหมดเลยทุกอย่างเนี่ยแม้ที่หมอเคยตรวจว่าเป็นโรคตับลูกหากโตฉีไม่ออกต้องกินยามาอยู่นานปรากฏเราไปตรวจบอกไม่เห็นโตเลยอาจารย์ปกติอ้าวทำไมปกติตั้งแต่เมื่อไหร่ มันเป็นเลยกลายเป็นอุปทานไปนเลยพ่อหมอบ อ, อกว่าปกติแค่นั้นน่ะหยุดยาทันทีเลยแล้วก็ฉีตามปกติเลยเามื่อก่อนนี้เพราะไปตรวจม า, าแล้วฉันยามาตลอดเลยหมอบอกว่าเป็นโรคต่อลุกหมาโตฉีไม่ค่อยออกฉีไม่ค่อยออกก็บอกฉีไม่ค่อออกอรับพอไปตรวจอุตสาว์หมอบอกว่าตับลุกหมากมนโตเลยอาจารย์อ้าวเลวฉีออกเลยยาเลิกกินเลยอ้าวแล้วไปตรวจโอ้แนวอาจารย์ ลูกศิษลูกหาแล้วหมอทั้งหลายหมอลูกเป็นลูกศิดเยอะมากแล้วก็ยาดีๆแพงๆทั้งนั้นเนี่ยจานยานี่แพงๆนะจานช่วฉันหน่อยวิตามินทั้งยาบํารุงอะไรเนี่ยยิ่หมอเป็นตะกา้าเป็นต้องถุงเลยเอ้าวเนี่ยหมอเ อ, เ อ, เอยาของลุงตาเป็นยาอะไรบ้างเอามาเลยเอาให้หมอตรวจโอ้โหเจาะเลือดตรวจวิตามินปกติวิตามินไม่ได้ขาดแม้แต่ตัวเดียวโรค ก, ก็ไม่เป็นสักอย่างเดียวแล้วุงตาทําไมฉันยาเยอะขนาดนี้เป็นตะก้าเลย เลยแต่หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยหยุดยาไปเลยเอทีแรกต้องฉันยายควบคู่กันเลยอีกสองตัวสามตัวเนี่ยยาแก้พองอืดมันแน่นแล้วจุกเป็นประจำเลยต้องเลยมันเป็นอุปทานเน่ยต้องฉันยาช่วยย่อยก่อนอาหารตลอดเลยเพอะหมอบอกว่าปกติไม่เห็นเป็นอะไรเลยหมอบอกว่าถ้าอย่างนั้นลุงตาฉันมานานแล้วน่ยยาพวกนี้มันหยุดทันทีไม่ได้เดี๋ยวร่างกายมันจะไม่ต้าน หยุดเลยปกติแล้วหยุดเลยไม่ไม่ฉันเลยก็เห็นเป็นปกติทุกวันนี้ยก็ไม่เห็นเป็นเป็นอะไรฉี่ก็พอบอกต่อลูกมาปกติฉี่ปกติเลยพอบอกร่างกายปกติอ้าวท้องไส้หายอืดหายเพ้อไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวปกติหมดเลยเหลือแต่โลกกรรมคือกรรมพันธุ์คือตอหินเอโลกตอหินเป็นโลกกรรมพันธุ์อันเดียวนอกนั้นไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวเนี่ยก็เพราะว่าด้วยอํานาจจิตนี่แหละที่ใช้ เนี่ยให้ร่างกายของเราสุขภาพของเราแข็งแรงเพื่ออทําประโยชน์ตนให้ถึงที่สุดแห่งปณิพานแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้าร่างกายอ่อนแอก็จะไปช่วยใครได้เนี่ยต่อประโยชน์นี้พลังจิตที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าความเมตตาของพระ อ, องค์อ่ะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอยู่ในธรรมชาติในจักรวาลมหาศาลแล้วอย่างจะเป็นพลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์อีกพลังจับดินน้ําลมไฟพลังจับพระอาทิตย์พลังของจักรวาลพลัง ในธรรมชาติมหาศาลมีทั้งพลังแม่เหล็กมีทั้งพลังประจุไฟฟ้ามากมายมหาศาลพลังจิตที่เบยสุดพลังธรรมชาติที่เบยสุดรวมกัแล้วมีมากมายในมหาสารสุดประมาณแค่พลังพระอาทิตย์อย่างเดียวก็เอาแผงโซลาร์เซลล์ไปรับอย่างเดียวใช้ไม่หมดนี่พลังมากกว่า น, นั้นน่ะมันอยู่ที่ว่าเราฝึกได้ไหมเรามีบุญบา ร, รมีที่จะเอามาใช้ได้ไหมถ้าสิ่งเหล่านี้ยมีอยู่ตลอดเวลารอผู้มีบุญวัฒนาบา ร, รมีเท่านั้นน่ะ มาเขาก็รู้วิธีฝึกแล้วก็สามารถเอามาใช้เกื้กูนตนเองและเกื้กืนผู้อื่นได้นั้นแหล่งพลังงานเนี่ยสำคัญแหล่งสสารในโลกนี้ก็สำคัญคือพืนทุกชนิดเนี่ยจากที่หลวงตาศึกษามาคือมันมีมันมีโทษและมีคุณอยู่ใกล้ไกลกันอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าอย่างอุตตรพิษเนี่ยใครไปโดนพิษมันที่อุตตรพิษเนี่ยส่วนบนมันเนี่ยส่วนส่วนใบมันเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพิษ แต่ไอ้ทยาแก้พิษมันคือโคนมันมันอยู่ตรงโคนมันอย่างก็บอกว่าใครโดนหมามุ้ยแล้วมันก็จะมีผักชนิดหนึ่งอยู่อยู่ใกล้ๆหมามุ้ยมันขึ้นอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มันจะแก้โรคกันได้สิ่งที่เป็นพิษและสิ่งที่แก้กันเน่ยมันจะสมดุลกันไปอยู่ใกล้กันอย่างสมมุติว่าเราไปโดนในแมกกาพูลไฟในทะเลเนี่ยสิ่งที่มาแก้พิษได้ชงัดเนี่ยนั่นก็คือผักปุ้งทะเลสองทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติมันสมดุล เนี่ยกฎของธรรมชาติสมดุลสมดุลอะไรสมดุลทั้งส ส, สารนะสมดุลทั้งพลังงานแล้วก็จิตที่บริสุทธิ์เราจึงจะสามารถควบคุมให้สมดุลได้ถ้าจิตนี้ไม่บริสุทธิ์มันมีแต่กิเลสตัณหามันเลยไม่สามารถทําให้ธรรมชาติสมดุลได้มีแต่กิเลสตัณหาก็คืออะไรกินก็มากไปอ้วนอ้าวอา้วนเอาเบาหวานขึ้นอา้อาวเบาหวานขึ้นอา้าวตอนที่เป็นโรคเบาหวานกินแต่หวานกินแต่หวานกินแต่แป๊บตี้กินแต่โคกมันก็ กินแต่น้ำหวานเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันก็ของหวานก็กินเอากินเอาทั้งน้ําตาลก็น้ําตาลก็ขึ้นสูงปี๊ดมันก็ยิ่งขึ้นใหญ่เลยตอนนี้คนอ้วนเอาก็โอ้โหกินหมูกินไก่ตอนเป็นตัวตัวกินกินเอากินเอากินขนมเค้กเป็นไปเป็นไกินเอากินเอาเนี่ยมันตามใจปากตามใจตาตามใจหูตามใจกิเลสตามใจทุกอย่างที่สุดแล้วธรรมชาติไม่สมดุลเราไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างสมดุลเพราะว่าตามใจกิเลสเนี่ย ที่ท่านไม่ตามใจกิเลสเนี่ยมันเลยพระอาญาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ตามใจกิเลสท่านเหลลอยู่ยืนส่วนใหญ่นะท่านเหลลอยู่ยืนเพราะว่าท่านไม่ตามใจกิเลสร่างกายของท่านก็เลยสมดุลแต่บางท่านที่อยู่สั้นต่อเพราะว่าท่านมีกรรหนักเฉพาะตนวิบากกรรหนักเฉพาะตนหลายท่านท่านรู้วาระของท่านเองแม้แต่สุดเดชพระสารราชท่านก็บอกว่ามีพระอริยสองฆ์องค์หนึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยได้บอกไว้ตลอดเวลาว่าท่านจะต้องตายเพราะรถเพราะกรรมที่ท่านเน่ะ ในอดีตในชาติก่อนนู้นน่ะท่านเกิดเป็นคนแลกไปขับเกวียนทับคนตายเลยกรรมนี้ท่านจะต้องตายเพราะรถท่านพูดอยู่ตลอดท่านก็บอกเนี่ยอาจารย์ของท่านเนี่ยสมเด็จสักการะสมเด็จพระญาณทาั้งวรแล้วก็ท่านก็บอกพระองคนี้เป็นพระอริยสงฆ์นี่พอถึงเวลาเนี่ยก็มีคนมานิมนต์ท่านไปนั่งรถไป พระในวัดก็บอกว่าจะไปไหนอ่ะมันนี่มันถึงเวลาที่เขา ท, ที่อีกรายหนึ่งเขาเขานี่มุนไว้ลุงปู่จะไปไหนพระก็บอกมันถึงเวลาที่เขานี่มนุนเวลาถึงเวลาลุงปู่ก็พูดบอกว่าอ๋อมันถึงเวลาแล้วหรออ๋อมันถึงเวลาแล้วก็ไปแล้วท่านก็นั่งรถเข้าไปรถก็ไปความตายคนในรถไม่เป็นอะไรเลยมีท่านองค์เดียวตายตามที่ท่านพูดไว้กรรมนั้นเนี่ยมันตามสนองพระ อันนี้สงห้าองค์ที่นั่งเครื่องบินมาเครื่องบินตกตายพร้อมกันเลยห้ารูปเป็นพระลรหันนะแต่เครื่องบินตกตายแต่ท่านรู้ก่อนเลยว่าถึงเวลาแล้วกรรมของท่านอันนี้หลวงตามไม่ได้ยินจากปากของหลวงปู่ท่านหนึ่งท่านว่าพระห้ารูปเนี่ยในในชาติก่อนนั้นเคยเกิดเป็นเคยเกิดเป็นเด็กร่วมกันมาเป็นเด็กในหมู่บ้านเดียวกันเล่นเป็นเพื่อนเล่นกันแล้วก็ไปสอยหลังนกจเจ้าไข่ ไปแยะไปใส่สร้อยลังนกไังไงเราจะเอาอะไรเนะี่ยเด็กๆกัมสนเลยมีลูกนกตกมาตายมีลูกนกตกมาตายหลายตัวมั้งโดยการที่ไปสร้อยลังนกทําให้ลูกนกตกมาตายเด็กอ้าคนเนี่ยมาเกิดเป็นพระร่วมกันเนี่ยนั่งเครื่องบินลำเดียวกันเป็นพระเป็นพระอเยทรงแล้วเป็นพระอรหันแล้วเคื่อมีตกตายพร้อมกันเลยโดยกรรมนั้นแล้วก็แถมตำรายมีมีคุณหญิงหรือท่านผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามมาที่ไปนิมนต์ พาส่งห้ารูปนี้เข้ามาในในวังคุณหญิงนี่หรือท่านผู้หญิงนี่นั่งเครืบินนั้นมาแล้วตกตายไปด้วยคนหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าคุณหญิงหรือท่านผู้หญิงเนี้ยคือเกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงในชาตินั้นแล้วก็ไปขนขว น, นกวายเชียกองเชียหาไม้มาให้ป้งเลยเครืบินตกตายไปด้วยเลยกรรมโลกทั้งหมดแพ้กรรมแป้กรรมยุกอีก่ลายหนึ่งเพื่อเห็นว่า เราเป็นหมอเนี่ยไม่สามารถที่จะลงรู้ได้ทั้งหมดไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดเพราะว่าอย่างไรก็สู้พุทธเจ้าไม่ได้โรกมีลกูกหลานเนี่ยพ่อแม่ก็มีกระตังแล้วก็ญาติก็เป็นหมอไปอยู่ๆขาเดินไม่ได้เฉยๆ เ, เลยเล่นกีฬายเยอะแล้วก็ร่างกายก็หูล่าสันนะตัวใหญ่ด้วยนะอยู่ๆเดินไม่ได้เฉยเดินเดินไม่ได้ไปไปประส บ, บัติเหตุอะไรเลยอยู่ๆเนี่ยขาเดินไม่ได้ไปรักษาอะไรก็ไม่หาย มาหลวงตาหลวงตาบอกว่าต้องบวชซะโอ้ยยยยยยอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยนยยยยยยยยยยยยยยยยายยยยยยยายยยยยยยขยยยมยใยยยยยยยยยยยะยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยวยยยกลับไปคิดยยยยยยยยยยย่ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยเตรียมเรียบยยยยยย้ยยยยยยยยยยยตยยยยยยยครับ ผมพร้อมที่จะบวชกลับไปไปเจอหมอฉีดยาใหม่ไม่ทราบไปหาหมอใหม่หรือหมอเก่าก็จำไม่ได้และบอกว่าฉีดยาจิกเดียวเดินได้เลยพ่อรักษาถ้าตายเดินไม่ได้เลยไปบวชทั้ษาพรรษาแต่จะบวชพรรษาเดียวพรรษาเนี่ยแต่ลูกชายคนเดียวมันเลยต้องฝึกได้ไง <c oughs> <c oughs> เออเอเ อ, เอก็เลยสึกก็เลยต้องสึกออกมาบวชได้จะบวชพรรษานึงเลยสามพรรษาซะเลยแน่เลย <c oughs> อย่างเนี้ยหมอไปไม่ถึงถึงจะมีความรู้ขนาดไหนก็ไปไม่ถึงไม่ว่าหมอเชี่ยวชาญด้านพลังจิตหมอเชี่ยวชาญด้านด้านร่ า, นางกายสสารแต่ไปไม่ถึงแก่บวดแค่นั้นเนี่ยบอกว่ารับปากว่าจะบวดก่อนแล้วจะหายเพราะบอกบวดหายเลยอย่างนี้เรามันมีหลายอย่างที่เราไปไม่ถึงนั่นแหลเราจะไปถึงอย่างเดียวเรกต้องฝึกจิตต้องฝึกจิตให้ถูกต้องด้วยนะฝึกให้มัน ทั้งสสารทั้งพลังงานทั้งอผู้รู้ทึ่เป็นวิญญาณธาตแุแต่แท้ที่เป็นความว่างเปล่าต้องให้เป็นอิสระต่อกันไม่เข้าไปไปเข้าไปก้าวไก่กันไม่เข้าไปบังคับกันไม่หลงติดไปกับอะไรแล้วก็ไม่หลงตามใจตนเองจนทุกอย่างอะเกินความพอดีมันก็จะไม่ไม่มีโครคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนยกเว้นแต่กําหนักมาตัดรอนอตรงนี้ก็หน้าหน้าที่จะบอกไว้ในโลกนี้เหมือนกันคือว่า มีหลวงปู่องค์หนึ่งอายุแปสบกว่าท่านเป็นโรคพากินสันประเภทสันสันสันสันหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยสันมากขนาดนี้อยู่ได้ไม่เกินสองเดือนต้องถึงแก่ความตายท่านสันเดินเดินแล้วก็สั่นตันตันเหมือนลูกนกเนี้ยสันหมอก็บอกว่าอยู่ได้ไม่เกินสองเดือนถึงแก่ความตายแต่ท่านเคยมีบุญคุณกับหลวงตาและลูกศิษย์มาก่อนก็เลยเออให้ท่าน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วเอาการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านบุญบารมีที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานึกถึงประพฤติประทำประสงค์คุณดยุตดาคูบาอาจารย์และบุญบารมีที่ท่านทนั้งหมดมารวมกันขอที่ตัวกุฏิในเจ้ากรรมในเวรของท่านเพราะว่าก่อนที่ท่านน่จะมาบวชเนี่ยท่านเป็นลูกชาวไร่ชาวนาพอถึงข่าวฝนตก เสียงกบเขียบมาล้อออ๊บอ๊บอ๊อบพวกอึ่งอ่างพวกอะไรมันล้อเนี่ยมันก็ล้อออ๊บอ๊บอ๊บเธก็เอาไปฉายติดตาผากหละลูกชาวไร่ชาวนาก็ออกไปหากินดีใจพวกกบเขียดอึ่งอ่างมันออกล้อแล้วก็ออกไปหากินเอาไปฉายติดตาผากแล้วไปเดินหาแหละพอไปเห็นมันปุ๊บก็ตีป๊อกมันก็ชักดิ่มแงงๆงงแแล้วก็จับใส่ตะข้องแล้วก็หาไปเงี้ยนะพอเจอตัวใหม่ก็ไม้ตีป๊อกแล้วมันก็ชักแงงๆงงแงงแงล้วใส่ตะข้องทัดเป็นเหมือนเลย ตัวท่านมีอาการสันสัเหมือนเลยเหมือนเนสเลย่ะบอกว่าให้เอาบุญบารมีที่ท่านทําปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วเนี่ยที่ท่านประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนาศีลท่านก็รักษาบริสุทธิ์มาภาวนาก็ปฏิบัติมาดีแล้วเอาที่ส่วนนี้เขาซะแปลกมากเลยอ่ะหลวงตาก็ช่วยท่านด้วยอีกแรงหนึ่งยูยูเนี่ยโลกที่สันสันหายไปเฉยเลยโดยที่ไม่ได้รักษาอะไรเลยหายเลยหายเองเลย เขาเปิดทางให้อาวุิกรรมให้เพราะว่าเพราะว่าบุญกุศลบุญบารมีคุณงามความดีท่านท่านสร้างมาเยอะท่านท่านทานศีลภาวนาทำมาเยอะท่านก็เลยมีบุญกุศลมาบุญกุศลใหญ่วาถีฐานนี่เขาหายเลยแต่ท่านไม่รู้ว่าเจ้ากรรมในเวรของท่านอะมันคือใครท่านไม่เจอตุไม่ไม่ไม่เจอตัวเขาเลยเลยแผลให้กันไม่ได้เพราะว่าแผลไปทั่วๆไปมันก็เลยแบบว่ามันแผลไปไม่ได้เจาะจงมันแผลทั่วไปแล้วก็ถ้ารู้ตัวก็ต้องแผ่เจาะจงเลยมันก็จะเร็วเหมือนกับอะไรล่ะ เหมือนกับเราส่งอะไรนะส่งโดยตรงไปเนี้ยมันก็ตรงกว่าตรงกว่าทั่วไปอย่างเงี้ยเขาก็รับรู้ได้บ้างแต่มันมันมันดาไปหมดเลยบันดาไปหมดแต่พอเจาะโจมปุ๊บเน้นอันเนี้ยครั้งนี้เน้นครั้งเนี้ยซ้ำๆๆๆไม่ไม่กี่วันเหมือนส่งไลน์เข้าไปในกลุ่มนะส่งเข้าไปส่วนตัวเออเส่งไลน์เข้าไปในกลุ่มทั่วไปห้าร้อยคนกลุ่มห้าร้อยแล้วก็ส่งเข้าส่วนตัวมันก็ส่วนตัวปุ๊บก็รู้ก่อนเข้าเลย ไอ้ส่วนในกลุ่มบางที่กว่าจะมารู้ต้งหน้าหลายวันคล้ายๆอย่างไนี้เนี่ยแม้แต่แบบมอบหน้าเขาจะมีมอบหน้าทั่วไปกับมอบหน้าเจาะจงมีหน้ามอบหน้าเจาะจงอย่างเงี้ยก็ต้องเจาะจงนี่ว่าพอรู้ตัวว่าเจ้าการรมในเวรคือใครก็เจาะ ป, ปับ๊บเจาะไปถึงเจ้าการรมในเวรโดยตรงก็แผลไม่ตายเขาก็ก็อันนี้ก็หายเลยไอ้ลุงปู่ในที่ว่าสาัน ส, ส, สัก็หายเลยแต่ต่อมาท่านเป็นอีกเดินเดินเดิ น, ดนไปแล้วติด แด้วอีกแบบหนึ่งคือเดินเดินแล้วก็ติดตึกต้องจับหมุนหมุนหมุนมนมุนแล้วก็เดินไปได้เดินเดินติดตึกจับหมุนหมุนหมุนหมุนท่านเป็นอยู่อย่างเนี้ยไม่หายโลกนี้จะเอาท่านถึงตายเลยไอ้โลกนี้ยถึงจะช่วยไงก็ตามปรากฏว่ากรรมที่ท่านเคยไปไปทำไว้คือสมัยก่อนนะที่ท่านก่อนบวช ท, ท่านเป็นลูกชาวไร่ชาวนาไอ้ลูกวัวเนี่ย มันเข้าไปแอบกินในพันข้าวหรือก็ฟางหรือพันอะไรพันธข้าวฟางเป็นพันธข้าวพันุพืชที่เอาเน็บไว้ที่ใต้ถุนน่ะและลูกวัวมันมันหลุดไปไงลูกมันเข้าไปกินพันข้าวด้วยความโมโหท่านเอาสันมีดนะไม่ได้ไม่ได้เอาคมมีดนะเอาสันมีดฟาดมันอย่างแรงที่ตะโพกอ่ะด้านหลังอ่ะด้านหลังตรงตะโพกอ่ะไปโดนเส้นมันยังไงเนาะไปโดนเส้นเส้นเอ็นมันยังไงไม่ทราบมันล้มทุดลงไปเป็นอัมาพาตร้องหงอยหวนจนตายอ่ะไอเจ้าลายเนี้ย แต่เมตตายอย่างไงไม่ยอมอย่างเดียวมันตายด้วยความทรมานและอาฆาตนานมันเอาถึงตายโลกนี้จะต้องเอาถึงตายเลยไม่ยอมอย่างเนี้ยหมอเชี่ยวชาญขนาดไหนไปรักษาไม่รู้กี่หมอแต่กี่หมอแล้วเชี่ยวชาญขายพาไปเยอะลูกสิษย์ูหาพาไปเยอะไม่หายนะอันนี้เอาถึงตายจริงๆโรเนี้เพราะเนี้ยหมอก็ไม่ไดส้สามารถรักษาได้ทุกโรคแม้แต่พรธเจ้าก็ไม่ได้สามารถช่วยช่วยใครได้ทุกคนเพราะว่า ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนอีกกรณีหนึ่งเราจะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรจะเขายอมได้เราต้องทานศีลภาวนาทานอย่างเดียวสู้ศีลไม่ได้ทานศีลอย่างไรก็ตามนานเท่าไรก็ตามสู้ภาวนาไม่ได้แค่จิตสงบลงในขั้นสมถะงูตวัดลิชากติคูมีอานิสงส์มากมายกว่าการให้ทานรักษาศีลมายาวนานหลายภพหลายชาติ ให้ทารักษาสินจิตสงบยาวนานมาหลายชาติสู้มีสติปัญญารู้แจง้งแทงทะลุในร่างกาจิตใจของตัวเองแล้วปล่อยวางขณะจิตเดียวไม่ได้อันสูงสุดนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติมาอย่างนี้มีบุญบารมีหลายทุณิตูกุศลในจ้กรรมในเวนทีก็ได้ผลเยอะไ อ, เอ้เรื่องนี้ก็ควรพูดทิ้งไว้ให้คนทั้งหลายได้หนึ่งจะได้ระเพ็ุณงามความดีละบาบ กิตติบุญทัมบูพูดดีไอ้ทานรักษาศีลภาวนามากๆไอ้ทานเท่าไหร่ก็ไม่เท่ารักษาศีลไอ้ทานรักษาศีลเท่าไหร่ไม่เท่าภาวนาจิตสงบไอ้ทานรักษาศีลจิตสงบเท่าไหร่ไม่เท่ารู้แจงแ้งแทงตะลุในร่างกายจิตใ จ, จตัวเองแล้วก็ปล่อยวางร่างกายจิตใ จ, จตัวเองสิ้นความจิตมั่นถือมั่นขณะจิตเดียวอันนี้อันนี้สงฆ์มหาศาลมันก็จะมีบุญบา ร, รมีหลายมากๆแผ่เมตตาเจ้าจกรรมนายเวนได้เกือบหมดเลยยกเว้นแต่หลายที่ ถึงชีวิต